คือถ่ายอุจาระปัสสาวะคือถ่ายปัสสาวะธีนะมิถังคือความง่วงเหงาหาวนอนชาราคือความแก่พยาธิคือเจ็บไข้มะระนังคือความตายทำสิบประการนี้ย่อมเวียนไปตามกายอันจะเที่ยวท่องไปในภพสามคือกามพภบรูปประภรูปประ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 ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสลิงคารข้อความเปรียบประการนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในกายมิได้มีอาญาแผ่ไปในกายเปรียบดุลมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิน้นอันสถิตยอยู่เหนือภูมิภาคพื้นแผ่นดินมิได้มีอาญาบังคับบัญชาแผ่นดิน